ที่นี่นะไม่ใช่เพื่อมาสบายแต่มาเพื่อฝึกตนแลวการฝึกตนเนี่ยส่วนก็คือการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องตัวเองโดยเฉพาะเรื่องจิตใจซึ่งก็สัมพันธ์กับร่างกายเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่อาสัยการฟังหรือการอ่าน จะเกิดจากการเฝ้าสังเกตเวลาเราพูดถึงการเรียนรู้เนี่ยนะสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าความรู้ความรู้ของพวกเรานี่สะสมมาเยอะแล้วนะเราเรียนรู้อะไรมามากต่อมากตั้งแต่เรียนอนุบาล จกนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ยังสะสมความรู้จากการอ่านจากการฟังแต่ส่วนใหญ่เป็นความรู้นอกตัวหรือไม่ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการฟังการบอกเล่าเพียงแต่ว่าคนที่บอกเล่าอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ แล้วเขาไม่ไแต่บอกเล่าด้วยคําพูดแต่บอกเล่าด้วยข้อเขียนอย่างตำรับตํารามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการเฝ้าสังเกตด้วยตัวเราเองไอ้ความรู้ที่เกิดจากการได้อ่านได้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์นะ แต่ส่วนใหญ่เราก็ลืมบางที่เรียกว่าคืนครูบาอาจารย์ไปไม่ว่าจะเรียนมาเยอะอ่านมามากแตที่มันลงเหลืออยู่ในหัวเราหรือจำได้อาจจะมีไม่ถึง 5% เนะหรืออาจจะแค่ 1% งก็ได้แลจริงกว่านั้นคือว่าไอ้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้นะ สิ่งที่เราเคยรู้มาหรือที่บรรลุอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะล้าสมัยหรืออาจจะไม่ใช่ความรู้ไปแล้วก็ได้อย่างความรู้ที่หลายคนจดจํามาเช่นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยอย่างเราได้เรียนรู้มาว่าเนี่ยการกินไข่เนี่ยนะ ถ้ากินมากๆกินทุกวันมันจะทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงในร่างกาย ต, ตอนหลังเนี่ยเราก็เลยกินไข่กันน้อยลงเนี่ว่าคนที่มีอายุมากแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็พบว่าการกินไข่ทุกวันนี่มันไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายเลย ขนาดเรียกว่าสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกานี่ที่เคยแนะนำว่าเนี่ยไข่มีโคอเลสเตอรอลสูงอย่ากินไข่เกินสามฟองต่ออาทิตย์ตอนนี้เขาบอกใหม่แล้วว่ากินได้ทุกกินได้ทุกวันเลยนะวันละฟองวันละฟองเนี่ยเพราะว่าไอ้คอเลสเตอรอลในไข่เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับโคอเลสเตอรอลในร่างกาย ถึงแม้ในไขมันจะมีคอเลสเตอรอลทั้งคอเลสเตอรอลที่ดีคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเราวทั้งไตเกลือไลา์สูงแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คอเลสเตอรอลหรือไตเกลือไลายในร่างกายเราสูงไปด้วยทนำะมันไม่สัมพันธ์กันนี่กลายเป็นความรู้ใหม่นะไอความรู้ที่เราเคยรู้มามันกลายเป็นความรู้เก่าไปแล้ว แต่ก่อนนี้เฮ้ยจะกินไข่นี่ต้องระมัดระวั ง, งนี้บอกกินได้เลยนะกินวัลลภฟองได้ทุกวันเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจโรคความดันเนี่ยไม่มีอันตรายนะสมาคมโรค อ, อเมริกสมาคมโรคหัวใจ อ, อเมริกาถึงกับสาบส่วนได้กินวัลลภฟองทุกวันเพราะมันเปลี่ยนความรู้ของคนเราเลยนะอันนี้เขาก็อ้างว่ามันเกิดจากการทดลองว่าเนี่ยเอาให้ให้คน สกลุ่มนะคนหนึ่งกินไข่บอลล็ฟองอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่กินไข่เลยอีกกลุ่มหนึ่งกินไข่นน้อ ย, นอยหน่อยรากาารกันว่าค่าเลือดเนี่ยพอๆกัเลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าโดยเฉพาะใเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไตรก ล, ลีเซอไรก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้กินได้แล้วนะไข่เนี่ยไม่ว่าไข่ต้มไข่ลวก วันเราฟองนั่นกลายเป็นความรู้ใหม่นะไอ้ความรู้เดิมนี่มันถูกลดระดับไปแล้วนะไม่ใช่เป็นความรู้เก่าอาจจะเป็นแค่ความเห็นหรือทฤษฎีก็ได้ความรู้มันกลายเป็นทฤษฎีหรือเป็นแค่ความเห็นไปซะละตกอันดับมีความรู้ใหม่มาแทนที่แต่ว่าไอ้ความรู้อีกเชนนิดหนึ่งนะที่มัน มันไม่มีการแปลเปลี่ยนไปนะพอ่อเป็นความความรู้ที่เกิดจากการเฝ้าสังเกตตัวเราเองมันเป็นความรู้ชั้นหนึ่งหรือความรู้มือหนึ่งนะไม่ใช่ความรู้มือสองไอ้ความรู้ที่เราได้จากการอ่านการฟังนะแม้มันจะมีประโยชน์แต่มันก็เป็นความรู้มือสองนะคือฟังเข้ามานะเพียงแต่ว่า คนพูดนี่เขามีเหตุมีผลมีหลักฐานมาประกอบทำให่น่าเชื่อถือแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าวันดีคืนดีไอ้หลักฐานที่มายืนยันมันเพราะว่ามันมันยังไม่ครบถ้วนมันก็เลยกลายเปลี่ยนเป็นจากความรู้กลายเป็นทฤษฎีหรือกลายเป็นความเห็นไปซะและ้วแต่ความรู้เรื่องกายเรื่องใจที่เกิดจากการที่เราเฝ้าสังเกตเนี่ยมันมันเป็นของจริงนะ เมันเป็นของจริงโดยเพราะถ้าเราไม่ไม่เอาความคิดมาปรุงแต่งเนี่ยและโดยเพราะถ่าว่าเรานะใช้ตาในเนี่ยมาดูนะตาหนนี่คือสติให้การที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะความรู้เนี่ยเรื่องกายเรื่องใจนี่สคัญมากหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายและใจของเรา โดยเพราะความรู้ที่เกิดในแต่ละขณะแต่ละขณะจากการที่เราสังเกตตรงนี้เนี่ยสำคัญไม่น้อยไปเลยไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่เราปรารถนาเช่นความสงบนะจริงๆแล้วเนี่ยสงบนี่ยังไม่สำคัญเท่ากับการรู้นะซึ่งเริ่มจากความรู้สึกตัวหรือการรู้ทัน หรือว่าความะระลึกรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างที่พูดไปเมื่อวานความสงบที่มันเกิดจากการไม่รู้เนี่ยเช่นปิดตาหรือว่าปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าอยู่ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างติดแอร์ไม่ต้องไปรับรู้เสียงวกเวกข้างนอกไม่ต้องเห็นอะไร ผ่านไปผ่านมารวมทั้งการพยายามบังคับจิตให้มันไม่คิดด้วยการให้จิตมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจบ้างหรือว่าพองที่พองและยุบหรือเท้าที่ก้าวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแถมมีคำบริกรรมเพื่อกํากับไม่ให้มันเพ่นพานออกไปข้างนอก ไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้แบบนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันเปราะบางเพราะว่าพา อ, อไปรับรู้ออกไปเห็นออกไปได้ยินออกไปเจอผู้คนไอ้ความสงบที่มีอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะแตกกระเจิงได้บางทีไม่ใช่ความสงบแตกกระเจิงอย่างเดียวนะสติแตกด้วยนะอย่างคนที่ปฏิบัต พบความสงบพอกลับไปบ้าน เ, นเจอลูก เ, เจอสามีเจอภรรยาส่งเสียงดังทำอะไรไม่ถูกใจไอ้ความสงบที่มีอยู่นี่มันละลายหายไปเลยกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธไม่ใช่แค่สุขความสงบกระจายหายไปนะแต่สติก็แตกไปด้วยเพราะว่า พอโกรธมากๆก็หลุดปากด่าออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาให้ความสำคัญกับการรู้แล้วก็สร้างตัวรู้ให้มากขึ้นจากการปฏิบัติในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีฐานในการรักษาใจให้มีความสงบได้ดีกว่ามั่นคงกว่ารู้เ่ที่ว่านี้คือรู้อะไรนะไม่ใช่รู้ ภาพที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูหรือว่ารสที่สัมผัสทางลิ้นแต่มันคือการรู้หรือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนะีเป็นการรู้ที่ลึกนะแล้วก็สำคัญมากเพราะว่าถ้ารู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็ทำให้ความคิดและอารมณ์เนี่ยไม่ สามารถมารบกวนความงามจิตใจได้มีความคิดหรือมีอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นในใจมาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์ไม่เป็นไปว่าเราต้องว้าวุ่นฟุ้งซ่านเสมอไปนะมีความโกรธแต่ถ้าไม่ปล่อยให้ความโกรธคลองใจมันก็ไม่รุ่มร้อน มีความเศร้าเกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยความเศร้าคลองใจมันก็ไม่ห่อเหี่ยวนะอันนี้คือความรู้หรือความจริงนะที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ให้ความกลัวมันคล อ, องกำจัยไม่ได้หรือทําทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแม้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้ทันหรือว่าเราเห็นมันนะ เราเห็นมันนะมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเห็นนะมันก็ไม่เข้าไปเป็นถ้ารู้ทันนะแม้มีความคิดมันก็ไม่หลงคิดแม้มีอารมณ์มันก็ไม่ติดอารมณ์ ไอ้ที่หลงคิดแล้วก็ติดอารมณ์เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นนะมันมีแต่ถ้ารู้ทันเห็นมันเนี่ยมันก็ไม่หลงคิดก็ไม่ติดอารมณ์แต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่รู้ทันนะมีความคิดเขาก็เลยหลงเข้าไปในความคิด พอมีอารมณ์ก็เข้าไปเสพติดอารมณ์สวยอารมณ์หรือปล่อยให้อารมณ์นี้มันเผาผลาญใจบีบคั้นใจกรีดแทงใจมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นที่ต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยไม่ใช่พอมีอารมณ์หรือความพิเศษเกิดขึ้นแล้วใจเราจะเป็นทุกข์ทันทีนะไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราทําอย่างไร หรือมีท่าทีอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรกับความกิและอารมณ์นั้นถ้าว่ารู้ทันนะหรือรู้แบบรู้เฉยเฉยรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ทันไหลาตามมันร้อยตามมันหรือผลักสายมันกดข่มมันรวมรันพันตัวกับมันอันนี้แหละนะ ที่จะทำให้มันเข้ามาครองใจเรียกว่าเข้าทางมันเพิ่มอำนาจกับมันอะไรเกิดขึ้นกับใจเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไรนะแล้วสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติกับสิ่งเรานี่ได้อย่างถูกต้องคือตัวรูนะ้รู้ทันนั่นคือการมีสติ ยัมีความรู้สึกตัวและการที่เราจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องฝึกต้องเรียนรู้คือว่าอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นได้อนุญาตให้ใจเนี่ยมันจะคิด ปรุงแต่งอย่างไรก็ได้อันนี้อาจจะสวนทางกับความเข้าใจของหลายคนนะเพราะคิดว่าพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ใจมันคิดสารพัดหรือไม่ยอมให้มีความคิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้น จะต้องเข้าไปควบคุมต้องเข้าไปจัดการเข้าไปบงการมันไม่ให้คิดชั่วไม่ให้มีความคิดฟุง้งซ่านอันนั้นก็อาจจะใช้ได้นะสำหรับในบางกรณีแต่เวลาเรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราจะใช้วิธีที่อนุ ญ, ญาตให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นได้อนุ ญ, ญาตให้ใจมันไหลไปนะแต่ว่าสิ่งที่ เราทำก็คือว่ารู้ทันความคิดและอารมณ์หรืออากัปกิาต่างๆที่เกิดขึ้นกับในใจนะเราจะไม่เน้นการบังคับจิตให้สงบแต่เราจะมารู้ทันจิตแม้มันจะไม่สงบแม้มันจะไม่นิ่งจะให้รู้ทันแบบนี้ได้ไวๆเนี่ยมันก็ต้องอนุญาตให้ใจมันคิดนั่นคิดนี่ไปได้หรือใจมันส่งออกนอกนะไม่ต้องไปบังคับมัน หลวงพ่อเทีนท่านบอกว่าเนี่ยถึงกับบอกว่าเนี่ยอย่าไปห้ามคิดนะมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่เราจะไม่ไปคิด ไ, ไม่ไม่คิดไปกับมันแต่ให้รู้ทันหมายมันก็รู้ไม่ค่อยทันหรอกคิดไปร้อยแต่รู้แค่สิบหรือรู้แค่ห้าแต่ไม่เป็นไรนะก็ทาไปเรื่อยๆตรงนี้แหละที่มันจะ ไม่ถูกใจนะของหลายคนเพราะว่าอยากจะเข้าไปเล่นงานความคิดที่ฟุง้งหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลถ้ามันฟุง้งก็ยิ่งต้องเบรกต้องห้ามมันเคยมีคนถามมีลูกศิษิ์ถามหลวงพ่อชานะว่า เวลานั่งสมาธิเนี่ยใจมันเตลดิดนะภาวนาอย่างไรนะใจจึงจะสงบหรือว่าชาตินตอบว่าท่านบอกว่ามันมันเลิดก็ช่างมันเดี๋ยวมันเหนือ่อยมันก็หยุดคิดไปเองฮะท่าไม่ได้บอกว่าไปห้ามคิดนะไม่ได้ไปบังคับมันไม่ให้คิดไม่ให้ตะเลดิดมันจะเตลิดก็ช่างมัน อันนี้อาจจะตรงข้ามหรือว่าไม่ตรงกับหลายคนที่ไปเข้าใจว่าการปฏิบัติการเจริญสติการฝึกจิตต้องไปควบคุมจิตนะไม่ให้มันกระดิกกระเดียไม่ให้มันวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่จริงๆเนี่ยมันจะวิ่งไปก็ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าต้อง ช่วยให้มันกลับม า, อ ย, บ า, ยบายอยู่บ่อยๆหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าเนี่ยมันจะเก่งก็ตรงที่มันกลับมานี่แหละนะจะไปวัดความเก่งความกล้าหน้าด้วยการที่มันไม่ไปาบางคนนี่ไปวัดความเก่งหรือความกล้าหน้าเนี่ยจิตมันต้องไม่ไปนะไม่ไปคือไม่ออกนอกตัวนะ แ้หลวงพ่อเขีนบอกว่าเนี่ยไม่ใชนะ่มันเก่งก็ตรงที่มันกลับมาหรือว่าความก้าหน้าที่ว่าให้มันกลับมาไวๆกลับมารู้เร็วผู้ยางก็ได้ผู้ยังก็ได้คือไปก็ไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆไปไม่ว่านะแต่ให้กลับมาไวๆหรือว่าจะฟุง้งจะปรุงก็ไม่ว่าแต่คอยรู้ทัน ไอ้ตัวรู้เนี่ยสำคัญนะรู้รู้รู้ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจเพราะนั้นเราต้องอนุญาตให้มันไปนะเหมือนกับเราจะเก่งได้เราต้องยอมที่จะทำผิดนะการบ้านเนี่ยถ้าเรากลัวผิดเราจะไม่ฉลาดเจอการบ้านมันจะยากไงเราก็ปลุกปั้มกับมัน โดยที่ไม่กลัวผิดเพราะว่าผิดมันก็เป็นครูนะผิดมันเป็นครูงนั้นถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะกล้าที่จะหลงนะแต่ว่ากลับมารู้ภายหลังรู้ว่าหลงอันนี้ดีกว่าดีกว่าสงบแต่ไม่รู้ ฟุ้งแต่รู้นี่ดีกว่าฉั้ก็ต้อง อ, อนุญาตนะให้ให้มันฟุ้ง อ, อนุญาตให้มันไหลไปตามธรรมชาติของมันแต่ขอให้เรารู้และรู้ทันแล้วก็แค่พอการรู้ทันนั่นแหละที่จะพามันกลับมาและตัวที่จะรู้ทันก็คือสติสิ่งที่เราทําก็คือการ ส่งเสริมให้สติทำงานได้เต็มที่หรือให้โอกาสกับสติในการทำงานเราอย่าไปทำงานแทนสตินะอย่าไปทำงานแทนสติเหมือนกับเจ้านายเนี่ยนะต้องรู้จักให้โอกาสลูกน้องทำงานแม้ลูกน้องอาจจะไม่เก่งทีแรกอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าเจ้านาย แต่ถ้าให้โอกาสเขาเรื่อยๆ เ, เขาก็จะทาได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเช่นเดวกับพ่อแม่เนี่ยให้ลูกทำงานบ้านจะเป็นล้างจานทำความสะอาดบ้านใหม่ๆเนี่ยมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยหรอกไม่เหมือนพ่อแม่ทำแต่ถ้าให้โอกาสก็าทำบ่อยๆให้โอกาสก็ททำบ่อยๆเขาก็ทำได้ดีเขาทาได้เป็นระเบียบจะเนี๊ยบมากขึ้นจนอาจจะทาได้ดีกว่าพ่อแม่ก็ สติก็ต้องการโอกาสนะจากเรานะก็เคยมีการทดลองนะเอาหนูเนี่ยมามาปล่อยไว้ในห้องเนี่ยที่ทำทางวกวนเหมือนเขาวงกดแล้วก็เอาอาหารเนี่ยที่มันชอบเนี่ยั่วก็ดีเนยก็ดีมาไว้ตรงมุมห้องเนี่ยแล้วปล่อย หนูเข้าไปในห้องนั้นโมันทีแรกมันใช้เวลานะกว่ามันจะหาเจอเพราะว่ามันเจอทางตันเจอทางหลอกเนื่องจากเป็นเขาวงกตนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้โอกาสมันทำซ้ำๆทาซ้าๆทาซ้ำๆแม้จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนจุดให้อาหารวางอาหาร เพราะว่ามันจะหาอาหารได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะละเพราะมันมีประสบการณ์ขนาดหนูเนี่ยนะซึ่งมันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยังเรียนรู้นะได้ไหวจากประสบการณ์นั้นนัาภาษาไดกับสติในใจเราเนี่ยถ้าให้โอกาสก็ททำงานนะก็จะหาตามหาความคิดตามหา จิต ท, ที่มันหลงเข้าร็อกเข้าพงได้อย่างรวดเร็วบางทีจิตมันก็หลงเข้าไปในอดีตรหรือถาลายเข้าไปในอนาคตแต่ว่าสติเนี่ยถ้าเราให้สติทำงานนะสติมันจะตามหาจิตและพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ใหม่ๆก็ช้าคิดไปสิเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ว่ากลาลังเดินอยู่ค่อยมาระลึกได้ว่ากลาลังสร้างจังหวะอยู่หรือกลาลังกินข้าวอยู่ แต่ถ้าว่าเราไม่ทอนะเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดินไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้ย ก, แลยกมือแล้วยกมือเราเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเทียนน้อยเทียนน้อยเนี่ยสติมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นใจมันคิดเผลอคิดไปได้สัก9เรื่องสติก็ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่หรือว่ารู้ทัน แล้วต่อไปมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเป็นการรู้เองนะไม่ใช่ตั้งใจรู้อย่างที่พูดเมื่อวานไม่เหมือนกับการระลึกเรื่องเกี่ยวกับอดีตนะราลึกว่าเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนกุฏิเราอยู่ตรงไหนใจะระลึกได้มันต้องตั้งใจนึกสักหน่อยหรือว่าคุยอะไรกับเพื่อนนะเมื่อ เมื่อบายนี้จะระลึกได้ต้องตั้งใจนึกแต่การระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยหลังจากที่เผลอไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันนึกขึ้นมาได้เองมันไม่ได้เป็นเรื่องของเจตนาหรือการตั้งใจแต่ว่าเราสามารถ สร้างบรรยากาศหรือสร้างเหตุปัจจัยเพื่อช่วยสติทำงานได้เร็วขึ้นเหตุปัจจัยอันนี้คือการทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ไม่ไปหาเรื่องที่ไปปรุงแต่งความคิดให้ความคิดมันเตลดเิดเปิดเปิงไปมากเกินไปเช่นไม่พูดคุยกันไม่ไป เ, เล่นโทรศัพท์มือถือนะแล้วรวมทั้งการที่ ใช้ตัวความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่ว่าเนี่ยคือรู้สึกทางกายเนี่ยไอ้ความรู้สึกทางกายนีย่มันช่วยทำให้สติกลับมานะเราสังเกตไหมเวลาเราใจลอยฝันกลางวันแล้วจู่ๆมีคนมาแตะมือเรามาแตะไหลเราสันทีที่เรารู้สึกว่ามีคนมาแตะตัวเรานี่ใจที่มันไหลไปนี่มันกลับมาเลยนะมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดสติขึ้นมา นี่เพราะการสัมผัสนี่เพราะความรู้สึกทางกายมันเป็นตัวสะกิดใจให้กลับมาจากความหลงกลับมาความสู่ความสึกตัวในที่เราปฏิบัติก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกที่เพื่อนมามาแตะเราแต่ใช้ความรู้สึกที่เราทำขึ้นมานั่นคือการเดินการยกมือ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีการยกมือมีการเดินมีการเคลื่อนไหวทีแรกเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวเรายกมือเนี่ยนั่นแสดงว่าใจอยู่กันเนื้อกับตัวไอความรู้สึกทางกายเนี่ยมันเป็นตัวชีว้วัดตัวบ่งชี้ว่าเรามีความรู้สึกตัวหรือใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวเพราะถ้าเราไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนั่นแสดงว่าใจลอยไปแล้ว แต่ถ้าเรารู้สึกว่ากาลังเดินรู้สึกว่าเท้าขยับมือขยื้อนนั่นเป็นตัวชี้วัดบ่งชี้ว่าใจาเราอยู่กับตัวกับตัวคือมีความรู้สึกตัวนะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่ตัวชี้วัดว่าเรากาลังรู้สึกตัวแต่มันจะเป็นตัวสกิดให้ใจเนี่ยที่ไหลที่ลอยเนี่ยกลับมารู้สึกตัวได้เช่นกาลังเดินอยู่ และไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่ากําลังเดินเพราะใจลอยพอมันคิดมันลอยไปไดถ้ถึงจุดหนึ่งมันเกิดรู้สึกขึ้นมาว่าตัวขยับเท้าขยืน่นตรงนั้นแหละนะมันก็เหมือนกับเป็นตัวสะกิดให้ใจเนี่ยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันลองสังเกตดูเนี่ยถ้าเราเดินถ้าเรายกมือเนี่ยเราจะรู้ตัวได้ไวกว่าเราอยู่นิ่ง เพราะว่าความรู้สึกตัวที่ยกความรู้สึกทางกายที่ยกมือที่เดินเนี่ยนะทำไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นตัวสะกิดให้ใจที่หลงใจที่ลอยเนี่ยกลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวอันนี้เรียกว่ามันเป็นตัวช่วยสติให้ทำงานได้เร็วขึ้นนี่คือเพราะว่าทำไมเราจึงควรจะ เคลื่อนไหวกายอย่าอยู่นิ่งๆนะหลวงพ่อเทียนนั่นบอกอย่าอยู่นิ่งๆถ้าไม่เดินจงกรมไม่สร้างจังหวะก็คลึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาเพราะมันจะเป็นไอความรู้สึกที่เกิดจากการเคลื่อนมือการขยับเท้านี่แหละที่มันจะเป็นตัวดึงจิตให้กลับมาอย่างที่ว่านะมันไปไม่ว่านะแต่ว่าสําคัญตรงที่ว่ากลับมา มันจะไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สำคัญถ้ากิดว่ามันกลับมาบ่อยไหมบางคนไปวัดว่าใจไม่ไหลเลยทาชั่วโมงจนใจไม่ไหลเลยหรือใจไหลแค่สองสาครั้งอันนั้นไม่สำคัญถ้าเกว่ามันไหลไปแล้วมันกลับมาไวไั้มอย่างที่หลวงพ่อทำคำเขียนว่าเนี่ยมันเก่งตรงที่มันกลับมานะไม่ใช่ว่าเก่งตรงที่ไม่ไปนะไม่ใช่ เก่งตรงที่มันกลับมาคือกลับมาไวกลับมาบ่อยๆเราจับหลังนี้ได้การปฏิบัติมันก็จะเป็นเรื่องง่าย